ปัญญาปฎิภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นโดยจิเล็กทั้งปวงโดยชอบนานตั้งปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะถอดถอนจิ่เล็ไม่ว่าส่วนหยากส่วนกลางสนเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันไหนที่จะเหนือนปัญญาไปได้ไ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 เพราะธรรมชาติเหล่านี้มีแบบเดียวกันพิเหรศแบบเดียวกันไม่มีองค์ใดที่จะสอนให้แตกให้แยกไปจากนี้เลยต้องสอนแบบเดียวกันการูปฏิบัติเพื่อสะท้อนสะทอนที่เรศมากน้อยออกจากใจก็ต้องแบบเดียวกันคือตามหลักที่ท่านสอนไว้ดําเนินตามแบบนั้นถ้าผิดจากแบบนั้นแล้วที่เหลรศก็หัวเราะ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 พุทธนาตัณ ม, มายตัวมันพอรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องยุ่งยิงวุ่นวายตายตอย่างสุขโตเอาละแสดงเพียงเร่ม